บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัญหาเรื่องความเคลือบแรลงสงสัยในพระศาสนานั้นจะกอให้เกิดอาการเจ้ักันทั้งในการศึกษาการพินิพพิจนาและการลงมือประพฤติปฏิบัติ ซึ่งแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่บุคคลต้องการก็เกิดขึ้นไม่ได้จากเท่าที่ความเพลแปลงสงสัยเหล่านั้นยังไม่ถูกกระจัดออกไปข้อนี้ทั้งสารชนทั้งหลายจะสังเกตว่าต อ, ตอน้นตอนต้นพุทธสมัยที่พระเจ้าเดินสวนทางกับอุปการชีว ดังท่านพูดนี้ก็เกิดปักใจมั่นใจพอสมควรว่าพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพระอาหารหันต์รูปใด ร, รูปหนึ่งในโลกนี้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงสถานะของพระองค์ว่าเป็นอาหารหั น, นต์ัศมาสมุทัยตานุปกาชีวกก็ไม่แน่ใจเก็บความเครื่องแกรงสงสัยเหล่านั้นเอาไว้เป็นเวลาตั้งนานหลายสิบปี เพิ่งมาฟ้าพระพุทธเจ้าในตอนเลยกลางพุทธสมัยมาแล้วหมายความว่าก็ต้องเก็บไว้อย่างน้อยก็ยี่สิบกว่าปีท่านอูปัญจัคกีมาพบพระพุทธเจ้าแล้วในช่วงแรกก็คือไม่เชื่อเลยในช่วงที่สองก็ยังมีความเครียดแครงสงสยัยแต่ว่าจำนวนด้วยหลักฐานเหตุผลที่พระเจ้าทรงแสดง ก็ไม่สามารถที่จะโต้แยง้งหรือพักคา้าในในดอย่างหนึ่งได้แต่ความสงสัยเหลนั้นก็คงมีอยู่ในใจของท่านแต่ด้านเมื่อพระพุทธเจ้าปล่อยให้ท่านเหล่านั้นต่อสู้กับความเคร่อแพ ร, รงสงสัยอยู่ตั้ง24ชั่วโมงแล้วจึงเทศแล้วเทศไปแล้วปรากฏว่ามีบรรลุมรคนได้เพียงรูปเดียวคือท่านอัญญากลทัญญะอีกสี่รูปพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาอีกสวัน เรียกมาแนะนำสังสอนอธิบายธรรมะไปโดยดําดัจดจกว่าจะบรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลระดับต้นคือปโสดับันผู้โุราณจดินที่พระเจ้าเข้าไปพักอาศัยได้แสดงความเครื่อแพร่งสงสัยในจุดสุดท้ายคือว่า ท่านคิดว่าท่านนั้นเป็นพระหันแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นพระหันเพียงแต่มีอนุภาพมากแต่เด่นประเดี๋มันก็ติดอยู่นิดเดียวคือท่านมีความรู้สึกว่าท่านนั้นเหนือกว่าพระพุทธเจ้าพาทุกครั้งที่ท่านปรารบถึงท่านพูดถึงท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านจะจบลงด้วยคําว่าแต่ไม่เป็นพระอระหันเหมือนเราก็แสดงว่าในความรู้สึกของท่านพระพุทธเจ้าก็ต่ำกว่าท่าน เมื่อท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่โอกาสที่จะฟังธรรมะที่จะน้อมใจลงด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้ามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะติดอยู่นิดเดียวเหมือนกันแต่ว่าติดอยู่นานพระพุทธเจ้าต้องใช้ปฏิหารต่างๆเป็นมากเพื่อกระจัดความเครือข่ายสงสัยของท่านเหล่านี้ออกไปแต่ในสุดก็บรรลุผลได้เพียงแต่ว่าสูญเสียเวลาไปมากซึ่งมีกับบางท่านเช่นพระยาะ หรือบิดาของประยศพ ร, ระยศนั้นเดินบ่นไปว่าที่นี้วุนวายหนอที่นี้กัดล้องหนอที่นี้บุนวายหนอที่นี้กัดข้องหนอก็เดินบ่นไปเ ร, รื่อยๆเพียงแต่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่ายะที่นี้ไม่บุนวายที่นี้ไม่กัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งหลมเถิดราจะแสดงธรรมเก่เธอใจนั้นพร้อมน้อมไปที่จะฟังธรรม แสดงว่าศรัทธามันก็เกิดขึ้นกาะจัดความเครือแรงของสัยลงไปได้ก็ฟังธรรมควรรู้มผลเป็นปรรสเดบันหรือฟังธรรมะเป็นครั้งเดียวบิดาของพระยาศาเองมีลักษณะอย่างนั้นรูมากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่ามหาสาํมณ์ท่านเนรยศกุลบุตรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระเจ้ารับสั่งว่าท่านนั่งโลงทีแ่แรกและจะพบยสศาในที่นี้เอง ธรรมะจิตใจท่านเชื่อมั่นในพระดำรัสของพระพุทธเจา้าว่าท่านจะได้พบพระยาศะาความพุ้งสั้นทั้งหลายความคิดเทือกแกรงสงสัยไปด้วยประการต่างๆซึ่งมีอยู่ในเรื่องของยาศะาก็สงบลงใจท่านก็พร้อมที่จะฟังธรรมะและเมื่อฟังไปแล้วปานุมคลเป็นพระสุนทรพระยสะฟังต่อไปจากนั้นก็ปนุมคลเป็นพระอากัร ตัวอย่างบุคคลทั้งหมดที่ยกป่านี้เป็นเครื่องเชื่อเห็นถึงสภาพจิตสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือมีความเครื่องแปรงสงสัยอยู่มากบางน้อยบางเป็นกลุ่มของอุปการชีวกก็ดีประพันธ์วัตถิกดีหรือปุราณจิรินก็ดีกลุ่มที่สองท่าใจพร้อมจะน้อยก็ปร่งใจเชื่อน้อมใจเชื่อในพระพุทธเจา้ามอน้อมใจเชื่อในพระองค์ เวลาฟังธรรมมาก็ฟังด้วยศรัทธาฟังโดยใช้ปัญญาบิณิชณาไปในสุดก็ได้บรรลุผลแต่เรื่องบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับพระธรรมเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์จะมีลักษณะอย่างนี้มันท่านก็ติดที่สงสัยอยู่นี่แหละเกรือแครงสงสยัยไม่แน่ใจถ้าไม่เชื่อไปเลยก็จบกัน แต่ต้องเครื่อบแปลงสงสัยนั้นก็ก่อให้เกิดอาการชะงักงนันคือไปไม่ได้ดังนั้นปัญหาเรื่องนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าสืบเนื่องมาจากตัววิชาหรือทรงที่เป็นรากง้าของกับอคิเลตทั้งหลายคราวนี้ท่านสาชนได้สังเกตได้ว่าอ ว, วิชานั้นท่านจำแนกเป็นแปดเหมือนกันมิจิวิชาเองก็จำแนกเป็นแปด วิธีคิดฉาแน่นคือเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกข่าเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องอดีตชีวิตในอดีตเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่หรือว่าไม่เคยเกิดถ้าเกิดเกิดเป็นอะไรมีความสุขมีความทุกข์ยางไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตายจากนั้นแล้วไปเกิดในที่ไหนมีความสุขความทุกข์ยังไงเป็นร่วมก็สงสัยได้เก่งๆสงสัยในเรื่องอนาคต ต่อไปเราจะเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์ยังไงจะมีความเสือ่อมความเจริญยังไงตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไเกิดในโลกไปเกิดสวรรค์ก็สงสัยได้เไปหรือสงสัยหมดทางอดีตนาคตนเราสงสัยในกฎของเหตุผลที่เราเรียกว่ากฎของปฏิยาการถึงในสข้อหลังนั้นก็ตรงกับเรื่องของอภิชารสี่ข้อแรก อวิชานั้นเป็นความเพื่อแปงสงสัยในอริยสัจทั้ง4ประการคือสงสัยในทุกข์เกิดคือทุกความดับทุกข์และข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์แต่อีสีข้อมันก็เหมือนกันกันกบวิจิกิชาซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ในตัวอวิชา4ีข้อแรกแกดูแตกต่างกันแต่โดยเนื้อหาของการปฏิบัติแล้ว คนที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุธธพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรทิขานั้นก็คือคนที่ได้บรรลุอริยสัจ ท, ทั้งสีคือมียานรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่จะน้อยก็ในระดับของพระโสดาบันสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดก็เกิดด้วยกันถดับก็ดับไปด้วยกั น, เ พ, นเพราะอะไพระอริยสัจสีนั้นก็เป็นธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้า บางีเราก็ใช้สต้าเอาเนื่อปัญญาเราไม่มีกําลังมากพอที่จะวินิจฉัยตัดสินว่าอธิยศาสตร์ทั้งสีนั้นเป็นความจริงหรือไม่เราก็เชื่อตามที่พระเจ้าทรงแสดงทรงแสดงว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์เราก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์จริงการเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์จริงพระเจ้าทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเดชที่เกิดทุกข์สรุปรวมสัพกิเลสทั้งหลายนั้นเป็นเดชที่เกิดทุกข์ บางทีเราอาจจะดูไม่ออกเพราะบางครั้งเราก็ได้ความสุขจากเรื่องกิเลสอยู่ในบางระดับแต่ไม่จิตใจมั่นคงที่จะปรองใจเชื่อลงไปว่ากิเลสเป็นเดชที่เกิดทุกข์แต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้ก็ยอมรับว่าสงฆ์ไทยเป็นเดชที่เกิดทุกข์จริงๆในเรื่อความดับทุกข์ที่จริงเป็นผลภายในใจของผู้ที่บรรลุ ในสาปใดที่เรายังไม่บรรลุผลเหล่านั้นเราจะปรุงใจเชื่อมั่นคงลงไปไม่ได้เราจะใช้ลําพังความคิดถึงของเราเป็นเครื่องมือในการตัดสินแต่เราปรุงใจเชื่อที่รู้เจ้าได้พระทรงแสดงวันที่รอดความดับทุกข์นั้นสามารถดับทุกข์ได้จริงๆและจะไม่มีการกำเริมอีกต่อไปใจเราก็ปรุงใจเชื่อตามที่ทรงแสดงเอาไว้ การศึกษามาว่ามักเป็นข้อปฏิบัติได้ถึงเรื่งความรัทุกข์เราก็เชื่ออย่างนั้นตั้งแตที่บางทีบางข้อเนี่ยเขอาจจะยังปฏิบัติไม่ถึงวความปฏิบัติไปได้จำนวนหนึ่งระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็เชื่อเพราะอะไรเพราะจากผลที่การได้ปฏิบัติแล้วสัมผัสผลในระดับนั้นนั้นมันก็สอดคล้องกับที่ทรงแสดงไว้ ยิงแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเหตุมันยังไม่สมบูรณ์เป็นการเพิ่มพูนความเชื่อมันน่นในพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าได้มากยิ่งขึ้นเป็นความเคลือบแคลงเร้าสงสัยในพระธรรมนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายใจสังเกตได้ว่าการกระจัดความเคลือบแคลงสงสัยออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยพระธรรได้ก็คือปักใจไปเลยคือเชื่อตามที่พระเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ ว่าผลบางอย่างเป็นผลที่ค่อนข้างยากต่อการจัดตัดสินวินิจฉัยเทนแสดงธรรมะระดับสูงว่าฌานเนี่ยสามารถที่จะทํานิวรณ์ทั้ง5ประการสงบได้หรือคนได้บรรลุอเุเพยในวาสานตุยานสามารถระดึกชาติคก่อนตัวตนได้คนที่ได้บรรลุจตุ ป, ปาปติยานสามารถจะรู้ความแตกต่างของคนของสัตว์ทั้งหลายว่าสืบเนื่องมาจากเหตุอะไรทั้งเหตุใกล้และเหตุไกล เหตุในขณะนั้นนั้นไม่สามารถจําแนกได้ว่าผลตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรคือไม่ใช่โยนไปให้อดีตทั้งหมดแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นประการการกระทําของบุคคลตนนั้นเองหรือการเกี่ยวข้องกับคนผ่านของบุคคลตนนั้นหรือการปริรักษ์สติของเขาเองในขณะนั้นนั้น ผล ม, มีความสุขความทุกข์ต้งเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาแต่ว่ามันเป็นเหตุใกลๆ้ๆจะทําทให้สามารถจะแยกแยะได้ว่าผลทั้งหลายนั้นมาจากเหตุแน่นอนแต่ว่าเหตุมันอยู่ไกลหรืออยู่ไกลบานทีก็อยู่ไกลเช่นคนที่มีความจอมนิจจำนาในการขับรถขับรถพันดีเกิดเผลอหลับในหรือเกิดขาดสติไป ในส่วขนขณะหนึ่งปฏิเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ปพราะเหตุตรงนั้นที่ให้เกิดผลอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตแต่เป็นเรื่องขนาดนั้นๆเราไม่มีปัญญาอย่างรู้ล ะ, ล, ะละเอียดแต่ว่าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไปก็จะเห็นว่าความเป็นอย่างๆของคนเป็นคนดีเป็นคนชั่วตั ว, ตวได้รับการยกย่องได้รับการตำหนิ ไดรับเลื่อนยศตำแหน่งและถอดยศปลดตำแหน่งไปต้น mm. เราเห็นได้ชัดว่ามันสืบเรื่องมาจากคนนั้นก็ทําให้เข้าใจในกฎของกรรมกฎของเหตุผลในเรื่องต่างๆโือในชั้นนี้ก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาไประดับหนึ่งแต่บางเรื่องอย่างที่ว่าไว้ระดับชาติเนี่ยมันเป็นระดับญาณระดับชาติเป็นผลสมบัติตรงทางจิต ตาหลักก็ทำมาคุณที่เราสวดสเสริญกันว่าเป็นสันทิติโกหรือผู้บรรลุใจเห็นได้เองไม่เป็นเรื่องที่จะอธิบายกันไม่ได้มันตอบกันไม่ได้แม้แต่ภาษาสัมผัสส่วนอื่นคือตาหูจมูกลิ้นกายที่แต่ละคนมีสัมผัสตรงนั้นเวลาจะอธิบายคนอื่นฟังก็ไม่ได้จะอธิบายอย่าง เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วอธิบายคนอื่นเห็นอย่างที่เราเห็นมันก็อธิบายไม่ได้เพราะจะต้องมีข้อแตกต่างอธิบายแล้วบางคนเป็นเล่าความไปพอเข้าใจอย่างนั้นรูปร่งางคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายอย่างนี้ซึ่งวารพูดของเขาเองก็ต้องมีพื้นฐานมีความรอบรู้อยู่ระดับหนึ่งไม่งั้นพู้จะผู้กันไม่รู้เรื่องเลยแต่พูดไปแล้วที่จริงรู้ตลอดมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องสัมผัสตรงรู้สิ่งที่ เราได้ลิ้มด้วยลิ้นเปรี้ยวหวานมันเค็มเผื่อนฝ า, าดขมอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องสัมผัสตรงสมบับลิ้นของคนนั้นๆันเพราะเราจะอธิบายได้เป็นลองรอความไปว่าขมใกล้ยๆอย่างนั้นหวานคกล้ๆอย่างนั้นเปรี้ยวใกล้ๆอย่างนั้นแต่เปรี้ยวยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องสัมผัสมันต้องส่งให้ชิมเอาตอนนั้นเองเพราะธรรมคุณสองบทเนี่ยจะเห็นได้ว่า การจะให้ศรัทธามั่นคงจริงๆ จ, จ, จะต้องเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหมายความว่าศึกษามาถูกต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วผลนั้นก็จะเกิดอย่างที่ทรงแสดงไว้ส่วนความเข้มข้นก็คงแตกต่างกันตามกําลังความสามารถที่แต่ละคนได้ปฏิบัติได้แต่ที่แน่นอนที่สุดเมื่อถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นสันติโกเลียนได้โดยตัวเอง เป็นปัจเจตามวิริยตบพปิชคือวิญญูชนเท่านั้นจะรู้ได้เฉพาะตัวเองแต่หมายความว่าไงหมายความว่าคนที่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมประพฤติธปฏิบัติจะสัมผัสผลจริงๆไม่ได้และไม่ได้ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เฉพาะเดี๋ยวนี้คือเมื่อไหร่มันก็เปิดกันสมัยพระเจ้าเองก็เป็นอย่างนั้นสมัยต่อมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ บางตอนเราไปไม่ไหวก็ออยังสัมผัสไม่ได้เราก็ใช้ความเชื่อในพระพุทธเจ้าแต่ตรงใดทีด่สัมผัสได้มันก็ใช้ทั้งปัญญาทั้งศรัทธาได้หรื อ, อยังคุณของพระสงฆ์ซึ่งรู้สึกว่ามีลักษณะเปราะบางมากนัานที่เปราะบางที่จริงมันเกิดขึ้นจากความหลงผิดความคัดจิตผิดคือจับประเด็นมันผิดคนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่มองพระสงฆ์เป็นพระพุทธศาสานา พออะไรเกิดขึ้นแก่พระสงฆ์แล้วมันก็ศรัทธาที่มีอยู่ในพุษนาก็จางไปลายไปมันเท่าไปเดเราลืมว่าที่จริงแล้วพระสงฆ์มันก็คือก้อีขาหนึ่งในก้อีสีขาตานั้นเองที่จริงนั่ก็คือลูกชาวบ้านที่จะเริญเติบโตมาในกระแสสังคมข้างนอกอยู่ภายในครอบครัวคนไทย ากว่าท่านเป็นพระสงฆ์ไทยจะเดินเติบโตมาในโรงเรียนอนุบาลไทยโรงเรียนประถมไทยโรงเรียนมัธยมไทยวิทยาลัยอาชีวะของไทยต ล, ลอดถึงมหาวิทยาลัยของไทยที่จริงเป็นคนข้างนอกวัดไม่ใช่คนในวัดเพียงแต่ว่าเข้ามาศึกษาแล้วเรียนรู้ปฏิบัติ ซึ่งช่วงระยะเวลาของชีวิตจริงๆท่านอยู่ข้างนอกมากกว่าข้างในนอกจากว่าท่านที่บวชมาได้นานๆเป็นหลักวันฐานได้นานๆถ้าเหล่านี้ก็ที่จริงก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะในจุดนี้เราจะมองเชื่อมต่อกันไปดยการยอมรับควาเข้าใจว่าท่านก็เป็นเขาท่านอย่างนั้นเองมันเป็นผลิตผลของสังคมเป็นภาพสะท้อนกลับไปสู่สังคม ไม่ว่าพฤติกรรมของคนเราในอยู่ในจุดใดตำแหน่งใดก็ตามที่จริงมันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากสังคมที่เขาเจริญเติบโตขึ้นอย่างพระเจ้าทรงใช้กำว่ายังเวเสวติตาติโสพบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นเราพูดกันว่าเขาผ่านผ่านพาไปหาผิดเขาปัญดิปัญดิพาไปหาผดเพราะตรงนี้ถ้าเราเกิดเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าพระสงฆ์จริงๆไม่ใช่ตัวคน แต่ว่าเป็นตุกขุนธรรมที่ใครก็ตามน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติตามหลักของโอปายโกคือน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติที่เรามีการสวดสรรเสริญกันโดยเฉพาะอยิ่งขึ้นสี่ข้อแรกสี่ข้อแรกนั้นเป็นข้อปฏิบัติสากลทั่วไปแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จริงไม่ได้จอะจงประสงค์เพียงแต่ว่าประสงค์นั้นถ้าก็ตั้งขึ้นเป็นกลุ่มคณะบุคคลคล้ายๆครับ แผนนำร่องหรือว่าแปลงสาธิตที่คนตรวจสอบดูว่าท่านเหล่านั้นที่ปฏิบัติได้ดีท่านก็คือชาวบ้านและบางรูปนั้นที่จึงมาจากฐานล่างของสังคมที่มาจากธุลีดินนี่ความยากร้ายขัดสนานาถาต่อสู้ชีวิตกันมาโดยลำดับมันเกิดมาอย่างนั้นแต่ท่านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่านตายเราที่มีฐานะ พื้นฐานทางครอบครัวทางสังคมทางเศรษฐกิจดีกว่าท่านทําไมจะทําไม่ได้ก็ปลูกฉันเท่าสาหาหเกิดความกระตือรือร้นที่จะประพฤติปฏิบัติได้ด้วยเพราะคุณลักษณะของความเป็นพระสงฆ์จึงอยู่ที่การปฏิบัติดีการปฏิบัติตรงการปฏิบัติเป็นธรรมการปฏิบัติสมควรถึงตรงนี้พระเจ้าทรงใช้คําว่าสุปฏิปโนภ ะ, ะโตสาวกสังโฆ แปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิวัติดีแล้วคำประสงน์นั้นอาจจะหมายถึงหมู่ถึงพวกถึงกลุ่มคนก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าในช่วงต่อมาเนี่ยท่านอธิบายว่ายาดิดังแปลว่าที่คือใครเจาตาริปุริสุการนี่คู่แข่งบุรุษสี ก็คือโซดาปฏิมาโสดาปฏิผลเป็นคู่หนึ่งสกิติกายมรสกิติกายผลเป็นคู่ที่สองอนาคารมรนาคารผลเป็นคู่ที่3าราตมาราตผลเป็นคู่ที่4ี่อัฏฐ ป, ปุริสภุกกาลาแยกออกเป็นคน8ประเภทคือนับเรียงอันดับแลก็เป็น8แล้วก็เน้นย้ำว่าเอสาพระควรโตสาวสกวสังฆนี้คือหมู่สาวก ข, ของพระพุทธมิตรภาคยาว พอถึงตรงนี้ท่านสาชนท่านหลายเห็นว่าเพราะว่าจริงแล้วเมื่อกล่าวโดยคุณธรรมไม่ได้เจาะจงโดยรูปแบบแต่เจาะจงในเนื้อหาของการรู้รึกปฏิบัติภาษาของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นพระ ก, ก็ได้เป็นชาวบ้านก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกันปนัญหานำคัญันอยู่ที่สภาพจิตถึ่งมีกิเลส จ, จางไปลดลงไปบรรเทาลงไป ในการปฏิบัตินั้นเราก็เพียรพยายามปฏิบัติที่เสริมสร้างคุณภาพตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็ดูแล้วคล้ายๆกับต้นไม้ต้นหนึ่งจะเริ่มเติบโตขึ้นมามันก็เพิ่มลําต้นขนาดใหญ่ก็ลําต้นก็เพิ่มแก่นตามไปด้วยเพิ่มรากยาวขึ้นด้วยเพิ่มกิ่งก้านสาขาแตก แ, แตกดอกออกผลกว้างใหญ่ไปสารกิดไปด้วยซึ่งหมายความถึงจุดหนึ่งก็ทําได้ทั้งประโยชน์ตัวเองและก็ประโยชน์ปกฏอื่ จะมาเป็นที่อิงอาศัยเพึ่งความน่าของคนทั้งหลายได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคุณลักษณะของความเป็นนักบวชเนี่ยมันก็มีอยู่สามอย่างและที่จริงก็อย่างเดียวคือถ้าเรามองให้ดีจริงๆมันเป็นอย่างเดียวคืออ้หญิงสาแปลว่าความไม่เปลีป่ยนสัญญมะคือมีความสำรวมระวัง ธรรมะคือมีการฝึกปลือตอนเองอบรมตัวเองหักข้ามใจตัวเองหากข้าไมไว้ทำไมก็เพื่อไม่ให้เป็นผู้เบียดเบียนเพราะคุณลักษณะของสาวกพระผู้มีพระภาคอย่างก็คือการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเบียดเบียนด้วยความริษยาก็ได้ด้วยความโลภ ก, ก็ได้ด้วยความโกรธก็ได้โดวยวิวิหีงษาคือความคิดเบียดเบียนก็ได้ สุดความอาการไม่เบียดเบียนเนี่ยมันเป็นการสะท้อนออกมาเป็นภาพหลักเป็นอาการเป็นการพูดเป็นการกระทําเป็นความคิดซึ่งมันก็ออกมาจากจิตที่มีความวิ่งสาคือเบียดเบียนนี่ลดลงไปเป็นอย่างน้อยมีความโลภลดลงไปเป็นอย่างน้อยมีความโกรธลดลงไปเป็นอย่างน้อยมีความริษยาลดลงไปเป็นอย่างน้อยมีความหลงงมงายลดไปเป็นอย่างน้อย แ น, น, น่นอนโดยมีเป้าหมายจริงๆคือหมดแต่ว่าพอกิเลสลดเดีย่ยมันจะคุมอาการทั้งหๆถึงสายชนตั้งหๆเจนว่าความปั่นป่วนต่างๆมันเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจิตใจเราที่ปั่นป่วนนั้นแสดงว่าจิตมีปัญหามากมายปัญหาทางอารมณ์ปัญหาทางสังคมปัญหาทางตัวสภาพจิตเองหรือปัญหากิเลสวารุ ม, มตุ้มกันไปนการใหญ่ มันดูแล้ว้ายความผันผวนข้างนอกซึ่งปรากฏแก่กธรรมชาติทั้งหลายมีต้นไม้ถูกลุมพัดถักคนมีตะหลิ่งพังลงมามีแผ่นดินแตกมีน้ำหลากพัดทรให้สิ่งมีชีวิตต่างๆประสบปัญหามากบางน้อยบางภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง โดยธรรมชาติเดี๋ยวก็ต้กระตือถึงกันเพราะงั้นถ้ามันลดลงไปเนี่ยลมลดความรุนแรงลงไปน้ําก็ลดความรุนแรงลงไปอาการดินถล่มพังทลายก็ดีอาการต้นไม้หักโค่นก็ดีมันก็ลดต่างไปเองเพราะสิ่งเหล่านี้จริงมันสืบเนื่องมาจากลมที่แรงแล้วก็น้ําที่แรงก็เรียกว่าก็ต้อกระตือกันไปเป็นแถว ตรงนี้รถจะกนีมันก็ลถตามไปด้วยเพราะกิเลส ท, ที่ลถเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงรถทั้งหมดแต่รถสักข้อจริงๆก็ลดหมดจะยกตัวอย่างาฟังว่าเรามีเมตตาอยู่ภายในจิตเราพริงอย่างเดียวจริงแล้วเวลาแสดงออกก็กไม่ใช่อย่างเดียว สีนนั้นจะเป็นไปได้เองโดยอันตโนมัติไม่จะเป็นต้องรมท า, านอะไรเลยเพราใจมันหยุดเหนือละการประทุษร้ายต่อร่างกายต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองโดยการูจาโหกกรอบบลมันเป็นการกระทำของเราที่กระทำต่อคนอื่นก็อสักคืนซึ่งไม่เหมือนข้อสุราข้อสุราเราดื่มเอง การช่วยคนอื่นดื่มมันก็ไม่ผิดศีลแต่เราดื่มเองท่านนั่นงผิดศีลแต่การฆ่าสัตว์การลักทับการรบพิดใ น, ในการพูดเท็จนั้นเราพูดแล้วก็มีผลในการเบียดเบียนตัวคนอื่นเราเองก็ทําลายคุณธรรมความดีให้ลดน้อยถอยลงซึ่งมายความว่ากรรมบัติในนี้มันก็คือเบียดเบีย น, นตัวตนเองต่อคนอื่นเมตตามนั้นเป็นลักษณะอบอุ้มนธนุธนอม ปลอบประโลมให้เกิดความน่าเกิดกำลังใจมีความเอื้อทอนห่วงใจปรัถนาที่จะเห็นเขาอยู่อย่างไม่มีเวสไม่มีไยไม่มไมมเบียดเบียนการไม่ปะติดสลายกาันแต่ในชีวิตก็อยู่ดีมีสุขเาต้อควรแก่ฐานะของตนใจที่คิดต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะนัการลุกละเมิดในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในสิทธิการรับฟังข่าวสารของบุคคลอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ เปิ้ีนสมาทานหรือไม่สมาทานที่จริงมันก็ไปตำนานที่ท่านแสดงว่าพระโสดาบันนั้นศีนห้าประการเป็นเสียกว่าสมุดเจตประหารคือละไดเด็ดขาดคดเวนไดเด็ดขาดมันมาพร้อมกับมรกที่จริงท่านก็ไม่ได้สมาทานอะไรก็ใครรูปแบบในการรัตนาศีนที่จริงมันเกิดมาในตอนหลังไม่ใช่เพิ่งเกิดในยุคแรก เราลองสังเกตว่าพระัญญากรพัญญ า, ญญาตั้งฟังเทศพร้อมด้วยเพื่อนอีกสีรูปแต่ก็ไม่ได้ราตนา ศ, าศีนอะไรแต่ในขณะนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นความสำรวมระวังเป็นการฝึกปลือเป็นการข่มใจเป็นหักข้ามใจเป็นการไม่เบียดเบียนเองพอแม้ความคิดจะเบียดเบียนยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงกายกับวญญาจาในขณะนั้นจึงเป็นทั้งศีลเป็นทั้งกรรมแม้ตัญญาสะที่ฟังเทศก็ไม่ได้สมาทานศีนก่อน ท่ก็บรรลุโสดาบัตพ่อของท่านเองก็ไม่ได้สมาทานศีลแต่ก็บรรลุเป็นพระโสดาบัตแต่พระยาสาเองก็บรรลุด้วยมรรพลเป็นพระรหรันซึ่งแสดงเห็นในว่าที่จริงมันไม่มีรูปแบบมันอยู่ที่สภาพจิตแต่ภาพจิตซึ่งไม่เบียดเบียนเป็นอหิงสา ค, คือไม่เบียดเบียนจากการไม่เบียดเบียนเนี่ยมันต้องปฏิบัติตดนในแนวของการสํารวมระวังเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งมันทําลายคุณลักษณะเอกลักษณ์ของเรา ตีการจะสำวรวจระพังได้มันก็ต้องฝึกปรือต้องหัดฝึกปรือต้องขมจูตัวเองหัดข้ามใจตัวเองต้องเบรกตัวเองได้ต้องหยุดตัวเองได้ท่านยังพูดรวมๆว่าสมณะนั้นไม่เป็นฆาศึกในโลกเมื่อการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาจึงอยู่ที่เรียกว่าอปัจจนิกะปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆาสึกอะไรกับใครๆและจากจุดนี้เราจะเพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรสังเกตว่าถ้าเรายิ่งใกล้ชิดเนี่ยมันยิ่งเพิ่มศรัทธาเรามีพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ใจเรามาสงบอยู่ที่ใจเราเรามีพระธรรมมาอยู่ภายในใจเราเราเพ่งปีนี้พิจารณาดูธรรมมารักษาธรรมมเราคุณพระสงฆ์มาไว้ที่ใจเรายิ่งใกล้คิดยิ่งจะเกิดศรัทธาเพี่ยมล้นขึ้นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจ ถือแน่นอนบางระดับเป็นเรื่องของศรัทธาระดับเป็นเรื่องของปัญญาแต่ธรรมะเหล่านี้จะอิงอาศัยซึ่งกันและกันธรรมะศรัทธามั่นคงขึ้นปัญญามั่นคงขึ้นแต่การศรัทธาก็ดีและมีปัญญาก็ดีเห็นไปจากในคุณของพระพุทธเจ้าหรือสต้าหรือสงสัยในพุทธของพระพุทธเจ้านั้นสิ่งทั้งหลายที่ บุคคลเครียดแครงสงสัยกันอยู่นั้นสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของพระธรรมทมี่มีการนำมาประพฤติปฏิบัติโดยพระรีส่งเป็นสังคมตัวอย่างเป็นแบบอย่างว่าธรรมที่ส่งสัตว์รู้แล้วก็สงส่งสอนนั้นเมื่อน้องนํามาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็มีผลผลจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราได้ลงมือประพฤติกระ พรเราไเกี่ยวข้องกับตรงอื่นเช่นเรื่องอดีตนาคตทั้งอดีตนาคตกฎปฏิจจสมมบาทหรือแม้แต่ตัวใจที่ขาดเองอย่างน้อยก็น้อมใจได้ศรัทธาไปก่อนแต่ไปใช้ปัญญาพิจารณาตรวสอบทั้งชั้นของปริยัติทั้งชั้นของการปฏิบัติเมื่อทำได้อย่างนี้ศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นปัญญาเองก็จะเพิ่มขึนใ จ, ใจก็จะมีหลักมีเรือนใจ เป็นที่ยึดเดนี่ยวที่บ้านโคงหนักแน่นเป็นบันไดที่จะนำไปสู่การประพฤตปฏิบัติเพื่เกิดความสงบประนีตมากขึ้นโดยดํางดัง ต, ตัวตนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตังความสงบสืขต่อไป